เมื่อทำวัดเรียนจดแล้วก็มีการให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจสำหรับคนไทยที่พวกเราเคยถือพุทธศาสนามานานแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรทำอย่างไรเรื่องนี้คงจะเข้าใจกันน้อย นามที่เห็นเห็นมานั้นดูจะไม่เข้าใจทราบซึสส้งถึงเนื้อแท้เมื่อพูดถึงตอนนี้เหมือนกับเด็กๆที่ไปกับคนแก่แกเด็กน้อยเพิ่งเล่นอะไรคนแก่แกพูดให้เด็กๆเมื่วันนี้เมื่อคนแก่กับคนแก่พูดด้วยกันกบบนี้พูดคือเด็กน้อยพูดอย่างนั้นหรือพูดกับคนบ้า เหมือนกับบ้าอะรอย่างนีที่บ้านอาตมาพูดอย่างนั้นคนแก่ๆถ้าหาักไม่รู้เขาเรียกว่าพูดเหมือนเด็กน้อยทําเหมือนเด็กน้อยอะไรอย่างนี้ถ้าพูดเหมือนเด็กน้อยยังไม่รู้เขาบอกคนนี้อะเหมือนคนบ้นญญาพูดเลยไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าคนบ้าสองคำนี้คล้ายๆเหมือนกันแต่ว่าหนักเบาไม่เหมือนกันถ้าเป็นคนบ้านั่นก็แปลว่าไม่มีสติญญ ร้ายทุกว่เด็กน้อยพักหนึ่งถ้าเป็นเด็กน้อยก็จะ ม, มีโอกาสมีเวลาที่จะรู้ได้ดังนั้นคนไทยถือศาสนาพุทธก็คล้ายค้ายกันแต่แต่ไม่ได้พูดทั่วไปนะเฉพาะที่นี่ที่มาที่นี่จําเป็นต้องพูดไม่พูดไม่ได้พูดเพื่อความเข้าใจกันว่าทุกคนต้องมีอายุมากแล้วต้อง เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่หรือเป็นพ่อบ้านแม่เรือนกันหมดแล้วเราจะถือเหมือนกับเด็กเด็กถ้าเป็นเด็กเด็กแล้วมันไม่รู้เรื่องเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้เป็นพ่อบ้านแม่เลี้ยก็ไม่ได้เป็นคนเท่าคนแก่ก็ไม่ได้ศินพูดถึงศินศินนั้นมีอยู่หลายอย่างเึ่นศิน แต่ตอนเช้านี่พูดกันเรื่องศีลของคนป่าบัดนี้ก็เลยมาพูดกันเรื่องศีลของพราหมณ์ ค, ค seminar, ํว่าพราหมณ์กับฮินดูนี่มันคล้ายคล้ายเหมือนกันค่ะว่าฮินดูเ็าเรียกว่าศาสนาดัาบันมาเมื่อหมดจากศาสนาฮินดูมาแล้วก็เป็นศาสนาพราหมณ์เมื่อ มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเรียกว่าพุทธศาสนามันเป็นอย่างนั้นบัด น, นี้พระพุทธเจ้าปริเนธานแต่แล้วก็มีศาสนาพิธศาสนาอิสลามมากศาสนาขึ้นมาพระเพาะไม่เข้าใจเหมือนกันกับเด็กๆที่ไม่รู้เลียงสานั่นเองถ้าเป็นคนมีอายุมากกค้ายๆกันเพราะยังไม่เข้าใจคาว่าศีลหมายถึงอะไรไม่เข้าใจ เราจะรู้แต่เพียงปานาห้ามมให้ฆ่าตัดรู้อันนี้รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนทั่วไปอะกินาไม่ให้รักของคนอืน่นหรือว่าอะพัมมจริยาเนื้อากามเมก็ได้หรืออภพัมมจริยาก็ได้ไม่ให้ล่วงเกิน เส้นบุตรและภรรยาของคนอื่นที่คนอื่นกำลังกาลังลักหรือห่วงเห็นเอาไว้ไม่ให้ล่วงเกินสิ่งเหล่านี้บัดนี้โมสาไม่ให้โกหกไม่ให้พูดเท็จสุลาไม่ให้ดื่มนํำเมาอันนี้พูดกันทั่วไปในเมืองไทยเรียกว่าสินห้าถ้าพูดมากไปกว่า น, นั้นเรียกว่าสุลาไปเรื่อยๆไปจนถึงครบกำหนดเรียกว่าสินแปด อันนี้ก็มีคนเฒ่าคนแก่ไปจำสิลปอยู่ในวัดในระยะกางพรรษาพอพรรษาแล้วก็ไม่รู้ว่าวันพระคืออะไรวันศิลคืออะไรไม่ค่อยรู้กันอันนี้เรียกว่าเรายังไม่รู้ว่าศิลปคืออะไรยังไม่รู้และสูงจากนั้นไปนี่ว่ารู้จักว่าความรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยเสื้อศิลอันนี้มีคนรู้กัน จำนวนน้อยหรือบางครั้งบางคาวพระสงฆ์ก็ยังไปติดอยู่ในเรื่องสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเซนอาบัตประศิษ์สีสังฆาทิเศษสิบสามอันนี้ก็ติดกันอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าคนใดทั้งหมดเลยตัวของสันเองก็เคยติดมาเรื่องนี้เพราะว่ามันเห็น็นเรื่องนี้ตามตาอยู่ ไปไหนมาไหนก็ทำกันอย่างนี้พาะสงเมื่อตอนกลางพรรษาก็มีการลงอุโบสถสังคักรรมกันเดือนนึสองครั้งถ้าสามเดือนก็มีหกครั้งบัญ น, นีปีหนึ่งมีกี่วันมีกี่เดือนไม่เคยคำนึงเลยเรื่องนี้เราไปติดกันสมมุติเหมือนกันกันกบเด็กๆเพื่อเล่นโดยที่ไรประโยชน์ไปแต่ก็ดีดีก็มันลองให้เด็กๆเนี่ย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 คนใดถ้าว่ารู้จักรักษาศีลแล้วเรื่อรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยซื่อศีลอันนี้ก็ยังดีดีกว่ารักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดอันนี้คนที่รักษากายวาจาใจนี้ดีแล้วแต่ว่ายัางไม่สับซึงเพราะเรายังรักษาอยู่ก็จะเป็นศีลบ ร, ริสุทธิ์ศีลสมบูรณ์ไม่ได้ ให้ศีลรักษาคนคนไม่ต้องรักษาศีลศีลรักษาคนคือเราเคยพูดกันว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยากสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดเรารู้แต่เราเรียนมาแล้วเรื่องนี้กิเลสอย่างยากคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้อีกแล้วนี่แสดงว่าคนไทยเป็นสาวพุทธ ไม่รู้ว่าศิลคืออะไรไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ทําไปเหมือนกันกับเด็กๆหรือว่าคนไม่รู้พูดอย่างที่อาตมาพูดแล้วเมื่อสักกี้นี่ว่าพูดไปพูดมาไม่รู้เรื่องกันหรอกไอ้นี่พูดคือบ้าไม่รู้เรื่องอะไรเขาว่าคนบ้าถ้าพูดแล้วรู้เดียนสาเล็กๆน้ๆอยๆสักว่าเด็กบันนี้ วันนี้ที่พวกเรามาที่นี่ต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหรือเป็นพ่อบ้านแม่เลือนกันเป็นคนเฒ่าคนแก่กันเรามาศึกษาหลักพุทธศาสนาให้เข้าใจคําว่าศิ้นเราไปรักษาอันนั้นเป็นเรื่องของเด็กๆต่อมาเรามารักษากายวาจาใจให้เด็ดร้อยเสื้อสิ้ลอันนี้ก็ดีกว่าที่เราไปรักษาปานา ที่นาการเมโมสาสุลาวิกระะโทนจะกคิดตะวอุจาไปดีกว่าอ น, นั้นเพียงเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์บันนีสินสิทสินสองร้อยี่สิบเจ็ดก็ดดีขึ้นไปตามลำดับลาดับไปแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ในหลักพุทธศาสนาสินเหล่านี้มีมาก่อนพุทธศาสนาเรียกว่าสินของพามพามบันดัดขึ้นมาเหล่านี้ คนถือาศาสนาฮินดูคนทุกคนนี่แหละเป็นาศาสนาดึกดําบันต่อมามีาศาสนาพราหมณ์ขึ้นมาต่อมาพระพุทธเจ้าก็เป็นในตระกูลของพรามเมื่อพระองค์ไปศึกษาเล่าเรียนรู้มาแล้วก็อืมเรื่องศีลแต่านั้นก็ดีการให้ทานก็ดีการนักษาศีลก็ดีแต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่เป็นฐานพ้นทุกข์ท่านสอนเอาไว้อย่างนี้ พระพระเจ้าของเรานี่สอนเรื่องคนพุกไม่ได้สอนเรื่องอื่นมากแต่สิ่งเหล่านั้นมันบันยัดขึ้นมาแล้วก็ทาไปถ้าหากเราเป็นคนมีอายุเป็นคนเคยเข้าวัดเคยฟังเทศควนใสสติปัญญาและบางคนเคยบวชเรียนเขียนอ่านกันนักทำเตีนักทำโทนักทำเอศเรียกว่าจบหลักสูตร บางคนก็เรียนขึ้นไปแปลภาษานี่วมหาป ร, เร 3, 4, ิเรีสามสี่ถึงเก้าียกกระจบกันเลยแปลกันแต่ว่าเมื่อมองสภาพควมเป็นอยู่ของชาวพุทธแล้วดูไม่ดูเรื่องบัดนี้พวกที่เรียนทางโลกก็มเหมือนกันเรียนปศแล้วก็เรียนมหนึ 1, ่งมสอง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 ไม่ได้จริงๆทำไมจึงไม่ได้เพราะมันยังไม่แน่นอนมันยังแปรผันสินยังไม่ได้รักษาคนแต่คนยังไปรักษาสินมันยังรงับความร้อนไม่ได้ความวัดของความเป็นมนุษย์กับของคนเป็นชาวพุทธนั้นท่านสอนเอาไ ว, ว้ว่าไม่ใช่การศึกษา เ, าเรียนมาจากตำลับตำราและไม่ใช่ว่าคนมีเงินมากๆ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 ทางวาจาทางใจเมื่อมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจแล้วคนอื่นมองเห็นแต่เมื่อ ม, มันเล่าร้อนอยู่ภายในจิตใ จ, จของตัวเองคนเดียวคนอื่นไม่รู้เมื่อมันรังับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะศ่ินี้ก็ยังไม่มีเพราะมันเป็นกิเลสแล้ววุ่สับสนวุ่นวายเล่าร้อนภายในจิตใจเมื่อมันแสดงออกมาทางกายวาจาแล้วมันผิดกฎหมาย มันผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนี้บบ น, นี้เป็นเครื่องวัดของชาวพุทธและเป็นเครื่องวัดของมนุษย์ต้องหยุดได้หยุดสิ่งที่สับสนวุ่นวายหยุดกายวาจาใจไม่สับสนวุ่นวายคือไม่หยุดร้อนทั้งกายและวาจาและใจคือคนใดไม่ลืมตัวนั่นแหละคนใดนยังเป็นคนมกักลืมตนลืมตัวอยู่อันนั้นยังไม่เข้า ในหลักพุทธศาสนาคื อ, อยังไม่เข้าหลักที่ว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบ <c oughs> คําว่ากิเลสอย่างหยาบนั้นเรามองเห็นกันได้ด้วยสายตาที่กําลังทํากําลังพูดกําลังคิดเดี ว, ว่าอบายามุขอบายามุขนี่ใครๆก็รู้แต่เมื่อพูดแล้วไกว็ยังทําอยู่เหมือนเดิมเรามาเห็นว่าเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืน พบคนชั่วเป็นนิดอะไรหลายอย่างที่แล้วพูดกันคำว่าอบายยมุกเป็นปากทางไปสู่ความพินาศท่านสอนเอาไว้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นตัวหนังสือใครเรียนแล้วต้องรู้เรื่องนี้ดังนั้นคำว่าอบายยมุกหมายถึงปากทางไปสู่ความพินาศคือปากทางไปสู่ควมชั่วควมชั่วจะเกิดขึ้นได้เพราะลักษณะ จิตใจคนมันคิดมันคิดแล้วมันต้องทําไปตามอารมณ์ของความคิดที่พูดแล้วตอนเช้านี่ยว่าเมื่อมันคิดลักษณะไม่รู้ตัวบางทีมีลักษณะโทสะเกิดขึ้นก็ร้อนลนเมื่อมันร้อนลนนั่นก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งบัด น, นี้เมื่อมันคิดขึ้นมามันไม่เป็นลักษณะที่ร้อนแต่เป็นลักษณะที่เย็นๆเขาเรียกโลภะเกิดขึ้นมา เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็หาวิธีเราจะพยายามหลอกลวงคนนั้นคนนี้ลักษณะโลภะเกิดขึ้นลักษณะโทสะโลภะเกิดขึ้นเพราะเรื่องอะไรก็เรื่องที่ลืมตัวนั่นเองคำว่าลืมตัวตัวนี้ทางพุทธศาสนาสอนอาไรเรีย่โมหะคือความไม่รู้จริงทานสอนอย่างนั้นดังนั้นถ้าพูดกันอย่างสั้น แม้เราจะให้ทานรักษาศีลกินเกขอขตามหรือจะไปทำกรรมฐานจริเรนิตรัศนาก็ต่างถ้าหากเรายังไม่ดูจิต ด, ดูใจเราไม่รู้เรื่องชีวิตจิตใจเราอันนั้นก็ดีน้อยยังไม่สมดุลยังไม่สมดุลคนใดมารู้เรื่องจิตเรื่องใจแล้วอันนั้นแต่ว่าบุคคล น, นั้นที่เป็นสาพฟุธแท้ เป็นมนุษย์แท้เป็นเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์เป็นเครื่องวัดของความเป็นสาวพุทธอันนี้ดังนั้นเครื e ่องวัดของความเป็นมนุษย์เครื่องวัดของความเป็นสาวพุทธไม่ได้อยู่อย่างที่เครื่องหมายอย่างที่เราเห็นเห็นกันอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านตำนานฟูตำรวจทหารมีเครื่องหมายแบบนั้นแต่เครื่องหมายที่พูดนี้ ไม่เห็นเลยคนที่ไม่มีปัญญาคนที่มีปัญญานั้นมองเห็นได้เพราะลักษณะนั้นตัวเองมีแล้วจึงไปมองคนอื่นรู้ได้ เ, เมื่อตัวเองยังไม่มีแล้วจะไปมองคนอื่นรู้ไม่ได้ท่านผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าผู้ทุชนจะไปรู้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้ความเป็นมนุษย์จะไปรู้ความเป็นอริยะบุคคลไม่ได้ ท่านตอนเอาไว้อย่างนี้ดังนั้นเราจึงเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นพ่อบ้านแม่เลือนกันเสียทีเรามาศึกษาหลักพุทธศาสนาเดินไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศอินเดียเราไปไม่ถึงถ้าเราไปถึงก็พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วไม่เห็นเลยคนไม่มีปัญญา ม, มองไม่เห็นเรื่องนี้ Blue คนที่จะมีปรรัญญาพอที่จะมองเห็นได้ก็ต้องมามองที่ตัวเองทําไมมามองที่ตัวเองใครสอนก็พระพุทธเจ้าท่านสอนเองว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพัฒถาคตตรงกันข้ามผู้ใดไม่เห็นพัตถาคตผู้นั้นก็ซื่อว่ายังไม่เห็นธรรมะผู้ใดไม่เห็นธรรมะก็ซื่อว่าคนนั้นยังไม่เห็นตัวเอง อันนี้พอที่จะนึกได้ดังนั้นธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนที่พูดแล้วตอนเช้าเนี่ยพระพูดไม่ใช่ทองคําถ้าธรรมไม่ใช่เป็นกำทีไม่ใช่เป็นใบลานไม่ใช่เป็นตู้หนังสือถ้าสงฆ์ไม่ใช่ผ้าเหลืองไม่ใช่โกนหัวไม่ใช่อะไรทั้งหมดเลยดังนั้นเมื่อมาพิจารณาอย่างนี้พูดอย่างนี้คนส่วนมากไม่เข้าใจ ก็พูดเออะโวยวายขึ้นมาโอ้ยคนนั้นพูดทําลายพุทธศาสนาไปแล้วเนี่ยแต่นั้นพูดเรื่องคนไม่รู้คนที่รู้ไม่ต้องพูดอย่างนั้นเมื่อพูดจริงใดที่เรายังไม่เข้าใจคํานึงถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทันทีพระพเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าพุทธศาสนาของเราสถาปนี้จะเจริญงอกงามมั่นคงถ้าวอนก็ต้องอาศัยบริสัทธ์ีจ คือพิสุพิสุนี้อุบาสุุบาสิกาคําว่าพิสุก็หมายถึงผู้ชายพิสุนี้ก็หมายถึงผู้หญิงอุบาสุก็หมายถึงผู้ชายอุบาสิกาก็หมายถึงผู้กกหญิงอีกแล้วตรงกันข้าม <c oughs> พุทธศาสนาคําสอนของเราศาสนาครุษนี้จะจะจะเคลื่อมและหายไปลึกศูนย์ไปหมดไปก็ปต้องอาศัยบริสัทธ์ีนี้เองเป็นคนที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติ ตามคำสอนของเราแตถาคตนี้พุะศาตนา ก, ก็หมดไปเลยไม่มีคนอื่นเลยมาทำลายท่านสอนอะไรอย่างนี้และวันนี้มามองมุมกลับวัดนาอารานเจริญมากญาติโยมก็ขวัดสังคัมมากทำอัตชากันถึงวดหดกันก็มีมากสร้างพระพุทธรูปก็มีมากแต่เมื่อมามองถึงด้านจิตใจแล้วดูมันร้อนหลนมากที่สุด จะถือว่าพุทธศาสนาเจริญไหมอันนี้แหละทำให้เศรษฐกิจตกต่ำทำให้พุทธศาสนาเสือ่อมสูญหายไปจึงกล้าพูดได้ว่าพระพุทธไม่ใช่ทองคำพระทรรไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่กัมพีไม่ใช่ไบล้านพระสงฆ์ไม่ใช่ผ้าเหลืองและไม่ใช่โกนหัวอะไรทั้งหมดเลยคือบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมทินคือระ ง, งับ ความสับสนบุ่หวายกายวาย่าใจเป็นคนที่ไม่ลืมตัวมองเห็นสภาพหรือภาวะของจิตใจตัวอยู่เป็นนิสอันนั้นแหละคือผู้ที่เข้าใจพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีบุญมากที่สุด ท, ทําไมจึงมีบุญมากก็เพราะพระพาพเจ้าสอนเรื่องนี้สอนเรื่องนี้สอนเรื่องไม่ให้ลืมตัวนี้เองแต่คนสมัยนี้ก็มาพูดกันมุมกันเนี่ย มีตัวมีตนพูดอะไรเรื่องตัวเรื่องตนเอาแหวนมันตรงกันข้ามถ้าไม่มีตัวไม่มีตนเราจะพูดทําไม่ว่ตนเป็นที่พึ่งของตนพูดทําไมคนอื่นไครหนาะจะพึ่งได้พึ่งไม่ได้ทั้งหมดเลยเน้จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จ ม, มาที่นี่หรือเหาะมาที่นี่มาแสดงที่นี่พระองค์ก็ไม่ให้เชื่อเลยต้องให้เชื่อตัวเองพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างแจ่มแจ้ง ดังนั้นความรู้จึงมีสี่ระดับด้วยกันรู้จํารู้จักอันนี้รู้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้แจ้งรู้จริงรู้ด้วยสติปัญญาเพราะการเจริญสติความหลุดพ้นก็เหมือนกันความหลุดพ้นก็มีอยู่สีอย่างด้วยกันหลุดพ้นสีอย่างคืออะไรบ้างาบางคนอาจจะมีข้อสงสัยหลุดพ้นความเป็นธาตุโสดาคือหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนหรือความเป็นมนุษย์ ขึ้นมาสู่ความเป็นอรนยบุคคลก็ต้องอาศัยยานยานนี่แหละยานปัญญาหรือว่ายานเป็นเครื่องบรรทุกหรือว่ายานสถานะแล้ว จ, จะพูดไปเลยนั้นอาศัยยานยานจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยปัญญาหรืออาศัยสรัทธาเมื่อมีศรัทามีปัญญาแล้วมันจะคล้อยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นเหมือนกับเราขึ้นบันได เมื่อก้าวขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันก็ถึงบนเลือนเราอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามเจริญสติเจริญปัญญาให้ดีญาณเกิดขึ้นมันจะเลือนไปกายจากความเป็นผู้ทุศนขึ้นไปสู่ความเป็นมนุษย์กายจากความเป็นมนุษย์ขึ้นไปมันจะไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันบุคคลคำว่าพระโสดาบันนี่มีสองความหมายคือพระโสดามะ โสดาผนมักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เราพูดกันอย่างนี้แต่เทนี้พูดกันให้เข้าใจมักคือเรามาดูสิวิตจิใจของเราผลมันจะเกิดขึ้นคือความโกรธความโลภความหลงมันจะลดน้อยไปผลของมันคือความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นว่าอย่างนี้ก็ได้หรือพูดอีก ต, ตรงๆคือโทสะโมหะโลภะจะไม่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง หรือถึงเกิดขึ้นกันน้อยที่สุดเพราะเป็นคนไม่ลืมตัวอันนี้เรียกว่าสงบละ ง, งับได้ความสับ ส, ส, สนวุ่นวายกายวาจาใจไม่เดือดร้อนคือไม่ลืมตัวนี้เองดังนั้นเมื่อเป็นหนุม่มเป็นสาวแล้วก็ต้องรู้จักวิธีเดินไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนคืออะไรคือจิตใจของคนทุกคนมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้ว ความสะอาดคืออะไรความสะอาดคือชีวิตจิตใจของเรามันไม่เคยสกปรกไม่เคยเสืมองเรียกว่าสะอาดสว่างคือการเห็นแก้งเราเดินไปทางเดินไปตามถนนเดินทางกลางวันเราต้องเห็นมีพวกมีน้ำมีหลักมีตอมีอะไรอยู่ที่ไหนต้องเห็นเรียกว่า ส, ว, าสว่างสงบก็แปลว่าหยุดแล้วไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนอีกแล้ว พุทธศาสนาจึางเป็นยอดเป็นยอดของทุกศาสนาเดี๋ยวนี้พุทธศาสนามีมากแต่ว่าความสงบไม่มีมิจตควาเดือดร้อนฝักฝนวุ่นลายคนใดเข้าวัดคนใดไม่เข้าวัดเอาแหละตำมีกันอยู่อย่างนี้แหละความจริงแล้เหมือนกันทั้งนั้นเหมือนกับตาบอดคำซ้างเอาไว้ตาบอดคํ า, า้างคนไปทําหางเดี๋ยว่าตัวซ้างคือฟลอยตัดไม่รู้เรื่อง บัดนี้คนเข้าไปทาขาซ้างตัวซ้างคือเสาเลือนนรือคือซูบคนเข้าไปทำทองซ้างล่ะตัวซ้างคือเพดานบ้านเพดานเลือนบัดนี้คนไปทาด้านขวาด้านด้านข้างด้านข้างซ้างตัวซ้างคือฟ้าเลื่อนพูดไม่รู้เรื่องบัดนี้คนไปทำหูตัวซ้างคือกระด้งกัดข้าวคนไปทาแป่หลังซ้างเนี่ยตัวซ้างคือฟาเลื่อนคือหลังขาเลือน คนไปทํางวงมันเลยว่าตัวสร้างคือติ้งเนี่ยตาบอดทํสรางพูดกันไม่รู้เรื่องบัด น, นี้คนที่ไปทํางานสร้างตัวสร้างคือสร้างทำข้าวคนจนํานวนนั้นพูดกันแล้วไ ม, คค ม, ไ ม, ไม่รู้เรื่องแม้ทุกคนคาเหมือนกันทําไมพูดไม่รู้เรื่องก็เลยชวนกันพักกันก่อไปไ ป, ไปนั่งปรึกษาหรือประชุมกันเพื่อจะทําความเข้าใจกันที่ต้นมะตูมต้นมะตูม ถ้าพูดบ้านบ้านอาจจะมากระเดียต้นมากตูมันพอดีทางกันไปนั่งที่นั้นแล้วก็ผลมะตูมมันล่นลงมาล้นลงมาทุกหลังทุกที่ไหนก็ไม่ตายวันนี้คนตาบอดไม่รู้เรื่องแต่หาว่าตีกันเนี่ยันพูดแล้วไม่รู้เรื่องพูดได้ป้าไม่ได้หรือซกต่อยกันนึกเนี่ยเอ้าเอาคันนีผลที่สุดตาบอกว่าซกต่อยกันขึ้นมาไม่รู้เรื่องคนไทยเหมือนกันคนจีนก็เหมือนกันเรื่องพุธศาสนาไม่รู้ มีแต่รู้วิธีทำบุญมีแต่รู้วิธีรักษาศีลวิธีจะดักความโกรธไม่เอามาพูดกันเลยอันนี้ก็ขายายๆปเหมือนกับที่ว่าคนตาบอดคำต่างนั่นเองวันนี้ที่นำมาเล่าให้ฟังเรื่องการรักษาศีลก็ดีอะไรอะไรดีทางนั้นแต่อย่าลืมว่าเราต้องมาพยายามดูชิวิตจิตใจของเราคนไทยก็มีชิวิจิตใจคนลราก็มีชิวิตจิตใจพระนริยก็มีชิวิตจิตใจ แม่ขาวแม่ดำมีทฤษิีจิตใจเหมือนกันทั้งนั้นแต่เมื่อมารวมที่ตรงนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเราจะไปเข้าใจมากเกินไปหลักพุทธศาสนาสอนให้เราทำลายแต่ไปทำลายมาทำไมของไม่มีไปหาได้ไหมไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะความโอดความโลภความหลงนั้นมันไม่ได้มีอยู่แล้วแต่เพียงเราไม่รู้เท่านั้นเองเมื่อเราลื่นตัวไปในขณะไหนเวลาใด มันเข้ามาทันทีเหมือนกับผู้รายที่มาครองลักเอาของบ้านเราเมื่อเราอยู่ในบ้านในเรือนเราแล้วผู้รายไม่สามารถที่จะเข้ามาเอาของที่บ้านที่เรือนเราได้ฉันใดนักพุทธศาสนาสอนก็ฉันนั้นเอาแหละที่อาจมาได้นํามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกิเวลาแล้วท่านทั้งหลายจงพยายามศึกษาให้รู้แจ้งสิ่งจริงในชีวิตนี้อย่า เพิ่งปาถนาเอาตายแล้วจึงจะไดพบอสวรรนิพพานอันนั้นมันไกลเกินไปถ้าหากโยมอยากทําบุญมากๆตายแล้วจึงจะได้สวรรค์นิพพานโยมรีบทําบุญเดียวนี้รีบตายเดียวนี้มันจึงจะได้นิพพานเร็วๆแต่บอกให้ตายใครอยากตายไม่มีเลยทั้งหมดเนี่ยหรือโยมอยู่นี่เนี่ยใครต้องการตายยกมือทีเนี่ยไม่มีคนยกมือเลยใครต้องการมีชีวิตยกมือ เนี่ยยกมื อ, อขึ้นทุกคนอยากมีสิ่งเหลือแล้วทําไมไปปาธนาเออนิทานจากหลังตายแล้วมันไม่มีเหตุผลท้าที่สุดเนีย่ยาจะามาขออ้างอิงเอาคุณของพระสัมทธเจ้าและพระธรรมคําสอนขององค์สมนเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเกือนจิตกิจใจของเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้คือความสะอาดสว่างสงบ ขอให้ทุกคนจงพบเอาในชีวิตนี้จงทุกๆคนเธอลาให้ไม่ออกท่ากันสุขอ า, า, อากาศแบบจับตัปจับไป ตอนนี้ถึงขนาดนั้นแล้วพระพุทธรูปอยู่ในโลกนี้สักว่าพอเราให้ฟังอันกับพิษสายคนหนึ่งพิษสายเป็นนักบวชบวชแล้วก็ซึกออกมากระวาให้ฟังตอนนี้จาได้แตบุญจาได้แ ด, ด, ด่ตัวผมมันยังน้อยที่เหาะไปรวมกันแล้วตอนนี้ที่เป็นพระไม้พระอิดพระปูนพระแก้วพระเงินพระทองพระอยัง ก, กรนะตมซานขึ้นซื้อว่าพระพุทธรูปที่เหาะมารวมกันแล้วมารวมกันมดแล้วก็ รูปเป็นวัตถุนั่นจแปกปั้งออกไปลบแล้วท่นดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้านั้นไปคล้องอยู่ไปเกาะอยู่กับพระพุทธรูปเท่ากับเมตนาเนี่ว่าท่นอันดวงจิตวิญญาณนั่นจีมารวมตัวกันเขาเป็นรูปเจ้าสายสีสระกุ ม, มารเป็นรูปพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเจ็ดวันเจ็ดคืนมาสัตว์เป็นว่าผู้ใดได้ไปฟังธรรมะอันพระพุทธเจ้าแสดงเจ็วันเจ็คืนนั้นจีได้ตัดสัรูปเป็นพระอนหาหันก็มีเป็นพระอนาคามีเป็นพระสักดิ์สทธาเป็นพระโสดาเป็นมนุษย์ แล้วแต่สติปัญญาไปอันนั้นถูกน้อยบุญทุกหลายผักพุทธรูปเหาะไปบุได้จริงๆรับรองเหาะบุญได้จริงจริงอันแต่เหามานี่แหละเนี่ยหลวงพ่อถาวรเนี่ยอยู่จังหวัดสงขลาเนี่ยบ่หลวงพ่อเนี่ิตสงขลาคุณหมาเนี่ยผมเป็นเหาะมาย่างมาบัดนี่เนี่ยนู่เนี่ยกุณโตเนี่อยู่กรุงเทพเป็นบ่เหาะมาเนี่ยขึ้นรถมาโยนสุภวิชอยู่กรุงเทพบ่เนี่ยบุได้เหาะย่างมาเป็นบ่ มุพะออกข่าววันนี้กัอยู่มันหลายจังหวัดได้มาเนี่ก็ะด็มันหลายจังหวัดบริลลอกบริลล์ำอุดรขอนแก่นตะคนตะเก็นก็มีกันมาบวันนีห่ะมะเนี่ยยางมาหรือขึ้นรถมาอันมานี่แหละมาวาวธรรมะสุ้กันฟังนี่นี่ยอันนี้แหละพระพุทธรูปอันพระพุทธรูปนั้นห่อโบได้จริงๆอันโตคนมานี่แหละฟังกันแล้วก็เพื่อความเข้าใจอันนี้แหละพระพุทธรูปแท้อันนืม ใดวนไมาเจรารมอนาจเจริญกหมายถึงการทำให้มากๆการทำได้มากกะไม่เจรเจครับหาคนดุเด่นก็สุดถ้าทำได้ด้่ามา them, ันก็จะได้คนดุเด่นไปคำาจคนดุเด่นนี่เขาหมายถึงว่าทาให้พัฒนาเจรญก็ได้หรือว่าทำให้ธรระเจรญก็ได้หรือว่าคำดุเด่นนั้นมันมีอยู่แล้ว เรกว่าจะมีคนรู้หรือไม่มีคนรู้เท่านั้นถ้ า, ามีคนรู้มากกาเรียกว่าทำให้ค น, คน เ, น เ, คเนป็นคนเจริญทำให้คู่เป็นคนเป็นคนถ้าหากคู่คนคนี้ธรรมะมีคนเป็นคนทำธรรมะชนินั้นมันจะมีอยู่แล้วถ้าหากมีคนรู้ออกมาเรียกว่าทำอะทำให้ธรรมะเจริญไปพูดเรื่องศาสนาก็คือกันไพูดเรื่องมรรคผมีทางก็คือกันนี่ศาสนานั้นเหมือนกันมีอยู่แล้าาลวชนิดที่คนเนคน จะมีคนรู้น้อยทีมีคนรู้มากเทานั้นถ้าหากสมยัยใดยุใดมีคนรู้มาก็เรียกว่านคนฉลามากหรือว่าธรรมะเลม า, ม า, า, ม, าเลมากหรือว่าข้อรนะเฉลามากเท่านั้นกรณนชนที้นำมาพิจารณาให้งเกตและไม่ของใขทั้งหมดกไม่ไ <c oughs> ด้ของใครทั้งหมดนั้นมันขึ้นอยู่ตามท่าเรือนหนทางเรยะๆนั้นมันด้วยในคนทุกคน ทำทำจนขนาดบุคคลคู่ที่ถึงเจ้าของนั่นแะจะทำออกมาให้เจริญหรือจะทำออกมาให้มันคนไปหรือไม่ว่าจะทำยังไงเท่านั้นมีมีสฎัเะเบียบยังไงตัวบุคคลคู่ที่ถึงเจ้าของทานั่นแหะนื่องจากที่ว่าเขามีเสื้อมีผ้าเขาจะมาเต้มเขาวะนี่เขาจะมาหอมเขาถ้าาเขาบอมาจุ้มามาหอมเขาเสื้อผ้า น, นั้นมีอยู่แล้วต่อม า, าเขาจะบอกมาท่านั้นเด็ดเืีสมมติว่าเขากับใคกัน ให้มันมีอยู่แล้วทาคำตัวที่กินด้วยบกินอั่นหถ้าหากว่าเขาจะกินก็จะกินได้ถ้าหากว่าเขาบทกลิ่นจด้กันดังนั้นคำสอนที่นามาแล้วใน่องไ่ได้ของเขาทั้งหมดในเรื่องของคู่น้อยบเรื่องของคู่ายเรื่องของแม่ขาวใเรื่องของแม่ดำในเรื่องของพระในเรืองเินในเรื่องของคนไทยในเรื่องของคนจีนคนฝรังเศหรือคนอังกฤษคนอเมริกา ค, คนเยอรมันคนเขมรคนเยอคนลาวไม่ได้แข่งขันทั้งหมดแต่กำเหน่งของทุกคนต้นของคนไทยจะเป็นต้นของคนเจียนก็เปนตปนคนของแต่เป็นของกําลังเซกกะเซกสนคัญแคาคนไทยจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นคนจีนจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นคนกําลังเซกจะรู้หรือไม่รู้ออคนอเมริกาเฮ้คนเยอรมันจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นคนเขมรคนเยอคนลาวข้อเมือนกันจะรู้หรือไม่รู้ถ้าเขมรรู้ก็เป็นของเขมร ถ้าคนไม่รู้ก็ต้องเป็นสองคนไทยมันนั้นคำว่าพุทธเาศสนาเนี่ยหมายถึงผู้รู้ชนิดที่ว่าคนดิชนิเองเพาะว่าดิชนแล้วรู้แล้วที่ทํำยังไงมันได้ทํำยังไงกับมันมันก็ต้องเป็นอยู่างนั้นตลอดมาแล้วมันเรียก ว, ว่าธรรมะจเจริญถ้าคนทุกคนรู้ธรรมะชนิดที่ว่าควรดิชนไม่แล้วมันมันไม่มีทุกมันไม่เกิดเพาไม่มีทุกนั่นแหละเป็น ว, ว่าจเจริญ ตัวนี้นี้ทุกนันก่นมืนกันนีอ ย, ยออู่อย่างนี้ตลอดมาไม่ว่าที่หนพวกนี้พวกเนเขาก็เคยได้ยินอยู่ผู้ที่ศึกษาเราเรียนนักทำปีนักทำเทนักทำเอกรือ เ, เป็นมหาปรลมปรเรียนเป็นจบประเจเก้าปรเลียนเก้าเป็นไงวะธรรมะที่ทาให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นนินมันมีมว่พระพุทธเจ้าหรือการตัดสลูของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรื่องการเจริญสติเรื่องการเจริญปัานร่งรู้เรงตัดสลู คือรู้เขาเรียกว่าตะลุคือรู้คือเขาไปรู้ธรรมะชนินั้นแหละและวิธีปฏิบัตินั้นเขาก็รู้ว่าถ้าเป็นใจนั้นทำทางสิตของใจจะเรียนทางจิตทางใจหรือธรรมะเฉพาะางธรรมริงทางสิตาทางใจนี่กาทรทำทางใจนี่แหละมันสาคัญสาคัญตอนการที่เราทำทางใจนี่แหละเรารู้ว่ารู้ทิตทางใจไม่คนรู้แค่เป็นคนลืมตัวคนจึงเป็นคนลืมตัว ถ้าหากโมลูนตัวแล้วรูกเขาจะมาจะเจริญคือไมอนน่รู้เท่นี้สองเท่ารู้ตัวเราอ่ะนานๆเขาคงรู้ตัวเราจะมากขึ้นมากขึ้นแต่ น, นี้ไม่รู้ตัวเราทู่เป็นวัตถกภายนอกนี่นแล้วเราก็พยายามดูใจเราเมื่อรู้จิตใจของเรามันมุกมันคิดขึ้นมาแล้วมันก็เรียกว่าจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, ม, นมันคิดจะเห็นมันรู้คิดจะเห็น เมื่อมันเหนอันนี้แล้เลยว่าอ้าวขึ้นระยานยานยานคือทหาเนี่รู้ว่ายานก็คนต้องหรือรู้จักยานเน่ยอะไรร้ว่ายานคืว่าลูกกับอะไรมคอยเลื่อนไปไหลไปเลื่อนไปไหลไปเรื่องสำัญคือรถที่เททุกคมันก็คอยไหลไปไหลไปตามกระแสของรถรถนนมันมีแคแลวก็บุคคลที่ขับรถมันแหละจะไปลงคูลงคลองหรื ด้กานล่นตามกำหนดนั่นไปตู้หากคนใดขับรถบรคมากะงูลงคลองอถึงรคนใดขับรถเบรคพอเก้ตะคองรถเบรคมันก็คอยใส่มากระจิกงินเได้หรือคือเต้ออกมาอีกส่นอย่างนี้คืนัน่งใน่หย่อยตามห้วยตามหูบ้านเามันก็จะไหลลงไปที่น้าโขงน้ำโงนั่นจะคอยๆเื่อนตัวไปเมื่อ ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไหลไปไหลไปที่ทะเลกันหมด ทะเลไม่ก็เป็นที่เกิดนาำองค์ความุจพ้น น, น, น่นนนก็เป็นที่เกิดปุถุญาของคนทุกคนหรือว่าธรรมะก็นี้นั่นแหละเป็นที่เกิดหรือว่านิชามนั่นหละเป็นที่เกิดเป็นที่เกิดิตของคนอะะแต่คนจะไปให้ถึงไเทานะนั้นนี่คือว่ามคนลุกคจนไม่ก็เของใครเป็นของทุกคนเป็นสารพละนะอือเได้ของคนไทยเป็นของคนจืนเได้ของไื่รับเได้ของใครทั้งหมดเลยในโลกนี้ เป็นของบุคคลผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นเป็นของบุคคลผู้ที่แสวงหาเท่านั้นแปลว่าคนนันจะมีปัญญาหน้อยมากมันอ่านังบอกบมถูกหรือจะแสวงหาถึงนั้นเน่หน่อยมากบอกหมถูกถ้ามีคนรู้หลายคนกันเรียกว่าธรรมะเบอเจริญถ้าหากมีคนน้อยคนรู้ธรรมะนเรียกว่าธรรมะเบอร์เจริญถ้ามันน้อยคนเร์เจริญได้ยังไงหรือบางทีมีเพื่เดียวรู้กาเรียกว่าเบอร์เจริญแล้วเบอเจริญมากแล้ว เราเคยได้ยินเคยได้รับอยู่คำว่เาเ ท, ท้าธรรมดินเมื่อคำของพระกาฬ ส, สด า, ส, า, า, าส่งสว่างเปี่ยบโยงประเท็มันน้อยคนรู้มันน้อยคนรู้ท่่าแสงลกกือแสงระเกียงนี่ยถ้าเราคนรู้เนี่ยมันก็คือแสงตะเลียงจะขยุคนี่คือแส่ไปฟ้านี่มันก็ลุขึ้นมาสวาสา่างขึ้นมามากถ้าเป็นคนรู้ทุกาทุกภาษามันก็คือแสงไาทุพย์เนี่ยนเะพือเ่อเวลาที่แสงไฟทิพคนโลกออกมาแล้ว มีวาดอกไม้ที่จะบานก็ต้องบานได้แต่เนี่อแสงาธาที่ออกมาไอ้คนคเฮาก็จะจับสมมุติสิคือหากต้องการอยากจเจริญอยากปฏิบัติจริงๆแล้วมีแล้วความแสงของพระพุทธเจ้รือมีแล้วธรรมะที่จะให้เราจเจริญได้มีแล้วธรรมะที่เป็นทุกขนั่เนเวลาําคัญก็เราจะปฏิบัติหรือไม่แต่นั่นสิหรือสําคัญเราจะ เอาใปเกลหอไหม่เท่านั้นง้าหากเรามีความสนใจมีความตั้งใจงใรู้ไดเห็นไ้เคาะารจะเจริญทางใจแต่ใะเจริญทางใจเนี่ยใจมันมีทุกคนมีชีวิตจิตใจมันมีทุกคนชัวมคนไครก็มีชุวิตจิตใจคนคืนยก็มีชีวิตจิตใจคนกรล่งหรือคนทราบอะไรก็มีใใชุวิตจิตใจชัวมันเป็นศาแล้วนะ เพื่อจะคนจะรู้ชีวิตีใจตัวเองหรือไม่รู้ท่าน้นถ้คนใดรู้ชีวิตีใจของตัวเองแล้วก็เสว่าคนนั้นแหละเข้าใกล้าระพุจ้นธรมะเสวนาเข้าใกล้กันื้มอืไม่รว่าพระพุทธเจ้ากะรู้ข้อการทำทางจิตสาใจนี้คือบุคคลใดมึงตัวเองเห็นจิดเห็ใจตัวเองคนนั้นือว่าเข้าใกล้พระพุทจ้ารู้เข้าใกล้ธรรมะหรือว่าเข้าใกล้กับยา ไปหลไปก้าไปก้าไปทำไมพูดเช่นนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวเลยเลยว่าผู้ใดเห็นเราผู้ใดเห็นพรตตถาคผู้นนก็เห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะนก็เห็นเราหรือเห็นขัตตาสดเพราะว่าเห็นระตาคสเห็นธรรมะนั้นเขาเข้าใจกันเอาไว้ว่าพระอุบาสกสอนมาย่งนั้นไมต้องเห็นพระพุทธเจ้าหรือต้องเห็นสีหเห็นแสลอยมาเข้าใจอย่างนัง้นนั่นเป็นการเข้าใจโดยภาพคิดเขาคน มัาเหนคิดเห็นใจเขาแล้วคิดใจเขะบ่ลอกเขาเลยมันคิดเห็นอย่างมันไปเห็นเขาไปเห็เจ้าเห็นสีเห็นแสงลอยมานังคือว่าคนคนนั้นเมื่อเห็นชีวิตคิดใจตัวเองมันมาหลอกเขาทำไมมันหลอกเราเพราะเรานักกิเลสกิเลสนั้นแหละมันมาหลอกพำไมกิเลสีนตัวเอานอาละมาดอาละกับกิเลสอันเดียกันหรือว่าวิชาแดีวกไม่รู้อันเดียรับอาวิชาเดียวกไม่รู้เพร่มันรู้มันรู้ของจริง ถ้ามันลูกของจริงแล้วมันจะมาหลอกเพราะมันคนเห็นอยู่เลยเด็กก็ของเห็ น, ย น, น อ, อยู่เลยมันจะหลอกยังไงเมื่อกับผู้ลายิย่งเข้ามาลักของบ้านเขาถ้าเขาเบ่งผู้ลายอยู่ที่มีอาวุธพร้อมเขามันจะมาลักษาได้อันโตชีวิตจิตใจโตที่เล็กแม่กับคจันมันจะมาลอกขาได้ดังนั้นท่านก็ถึงสอนมนักสอนหม า, สอ น, หนาสอนให้ทุกคนรู้อันนี้แบบไม่ บ, บวชแล้วจริงจะรู้กับบแมบวบวชบรูุกับบวม ยังไงธรรมะก็ในนี้มันมีอยู่ในคนแล้วเนื้อมันก็มีชีิตจิตใจบวดมันก็มีชีวิตจิตใจแม่ข่าวแม่ดันมันก็มีซีวิตจิตใของที่นี่แล้วเป้เขาหักบวชแสดงหาเท่านั้นคือเขาไปแสดงหา่ารลักษาฟื้นมันไปแสดงหาการให้ทานองซึ่งนั้นมันดีอยู่แล้วอี่แสดงหาเปราว่าเมื่อได้แสดงหาตัวเองเมื่อได้คนกลัวหาชีวิตจิตใจตัวเองมันก็เลยเดือดร้อน ควรเดือดร้อนสับสนวุ่นวายนั่นแหละคนลที่เลยะไม่หากผู้ใดทาควรเดือดร้อนสับสนวุ่นวายนั้นออกไห่ได้คือตึงคนบลรีตัวเท่านั้นคนบูรีตัวนั่นแหละคนลาจับกาดับพอันครเดือดร้อนสับสนวุ่นวายนั่นเลยหรือว่ายานก็ว่าได้อำนาจนันก็หมายถึงมาบลรีตัวงานก็แป็น่ารู่กัยินงานก็แป็ว่ารู้งบนแ้นว่ายินงานตายแล้วมีรองลอยไป ขึ้นบนสวรรค์ันตาอันนั้นอะไรก่อนอะไรก่อนยาไปว่ามันเรืองานก็ไปว่ารู้ลูกยานก็ไปว่ารู้รู้ใส่รู้สมุทฐานโทความคิดนั่อันนันเป็นวิธีปฏิบัติสั้นเมื่อรู้ที่นั่นทําอย่างไรกันเมื่อทำอย่างไรกันมันเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นอนิจจังเพราะมันเป็นตัวทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นเพราะจิตใจมันนึกมันคิดเมื่อมันนึกมันคิดขึ้นมาหาบรู้หาบเห็น อันนันแหลเริ่โศกอันนี้เปส่วนนึกเส่อนการปฏิบัติให้เกิดการัำงานจริงจริงเมื่อเราเห็นเรารู้ความคิดที่มันปรากดขึ้นมามันนึดมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจคทุกเบอร์นี้เบอร์นทุโศกมันกำลังเบอรนี้อยู่แล้วเบอร์นีอยู่แล้วต้งจะเดินมาแล้วเมื่อจิตโคมจุดชนกันมีอยู่แล้วต้งจะเดินมาแล้วเมื่อจิตใจสะอาดจิตใจว่างจิตใจสงบนั้นมันกำมีอยู่แล้ว เมื่อส้มันบม่แล้วมันไม่อยู่แล้คนาใจจะกึนเ่ขึ้นในขณะที่เขาเห็นเขารู้รู้สิใจเขาขึนเมื่อเาเห็นเขารู้รู้สิใจเาแล้วงันเป็นลับะอาเาะคือจิตใจรู้ชีมัน่ะมันลกเคยทุกข์มันลุกเคยทุกข์มันลุกเคยเดืดร้อนมันลุกเคยขัดนมันหลายเม่นะเพราน่เครื่องมัดของความเป็นมนุษย์ เครื่องรับของความเป็นภาุเรียบบุคคลมันไการศึกษาลเลาเหลือนจบปริญญาต ร, ารีปริญญาโทปริญญาเอก บ, บ, บ ม, ม, มเบนีหรือเหีย น, ยายนทางธรรมะมันไม่เจบหลักตรีมาขรฐนสันติสันโผสัเอกหรือมหาปริญญนประโยคห้าหกแปดเท้าแปดอันนั้นเปเนสิ่งหนเครื่องรับของความเป็นมนุษย์มนุษย์แต่เขดีมันเน่ยคือผู้ที่เห็นจิตใจตัวเอง กำลังสับสนวุ่นวายทำใหคนทุกคนเดือดร้อนไปทึกดุอดดความคิดที่สับสนวุ่นวายใจรวาจาใจเป็นไรให้ได้เดืดเคยเห็นคือรู้ที่เขาใจสรกะอาดระหว่างสมงหท่านคนคนทีอไม่รีตัวม่หยึดก็เป็นคน่รมตัวแล้วท่านท่านรีนตัวมก็ยับตได้แล้วสมัยเขาจีนยังแต่ท่านนั้นนี้มันเอาเปไปเอาบ่ได้เบืงตัวเขามันไต่ลดเป็นคนรมตัวไป อยากว่าก็แต่ว่าไปสะเทือนเลยละไปคนละเป็นคนลืมตัวเมื่อเราเห็นตัวใเราหยุดไปอันหยุดใจเราควเนว่าสงบอันควรสงบมันก็มีอยู่แล้วอั่างเงีจิตใจของคนทุกคนนั้นตัวมันมีสะอาดมันมีสว่างมันมีสงบสะอาดก็หมายถึงเสื้อผ้าเราที่เรามาโน่งมาตุ้มมาคมผันมันลูกเห็ดตะกบกุกอันตะกบกุกนั้นทอดเนี้ยมันทลุกเนื้อที่เขาเราทุกตุ้นภายนอกมันจับเสื้อผามันเลยตะกบกกไป ก็่ากเลยคือเหารู้จักวิถีสักวิถีไทคนนอะไรเป็นอะไรใช่ไหมเอสงบคือเชื้อผ้าหาบ้ตรไปสักไปควรางนแล้วถ้ามันดูแลนี้เดือนนี้เหาบุดได้ให้กำลังหาบุตรู้จักว่าคนสะอาดสว่างสงบว่าได้แต่เมดทุกแห่งทุกขนทุกหมื่นโลกเจอว่าบ่เคยรู้ว่าสะอาดคือยังสว่างคือยังสงบคือยังบ่เคยเอามาแส่บ่เค ย, ยมาวา่าทุกขันฟังเราก็เลยไปทําบุญเพื่อจะระงับขนทุกขันนี้ ว่าให้มันพาเข้าไปค้ายๆตัวเขาเอาเสื้อเอาผ้ามาอุ้มเขาเนี่ยให้อันบุนอันนั้นมาอุมตัวเขาเนี่ยตัวคมเองก็คือกันมันเคยคิดกันกันควรจะคิดยังคิดแต่เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยสอนเอาไว้ก็เลยหัวไปฝังอยู่กับคําพูดคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้นั้นมันเลยเป็นแบบนี้ที่ว่านี้บด้ว่ากับคําพูดของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์สอนให้ว่าตามความสามารถ หรือว่าตามความรู้ความเห็นของตัวเองเพราะว่าตัวเองเข้าใจอย่างตัางกันเลยว่าแต่อย่างกันสวัสดิ์เพราะวันจันเร์เชือตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องแต่เพิงพอไม่ต้องแต่เพิงเมยและไม่ต้องเพิงกูบาญารทั้งหมดเลยทำในส่นวนเพึ่งตัวเองเพิงตัวเองได้จริงดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ยงังสอนให้หาพึ่งตัวเขาาเพิตัวเขาเมื่อเษษรารู้แล่าพิจารณาต่างกันจางแล้วพองมันเป็นเงส ม, มุติเรื่ขนันพน บางที่ตัวผมพูดให้ฟังเนกับป็นเรื่องสมมติทดเมื่อเมียพูดมาถึงตอนนี้ว่าจะถามถามเธอเธอยังจิตใจเธอนนะเยอะอ่ะปงจิตใจเนนี่มันก็ซื่ออนะอ่าพอออกเปนงไงจิตใจเรนนี่ันซื่อเยอะ่อแม่าวเป็นยังไงจิตใจเรนนี่มันก็ซื่อออ่ะหลักฐานทซื่อซืมันมีอยู่เหมืนบอ่ะพรเนให้ได้ไป็นยัง มันหักษนาดซื่อๆนี่มีอยู่ เ, เ, เป็นหรอเราได้ไปเห็นอย่างให้มันมันมีอยู่เลยอันนี้แหละคือว่าความหุดคลอันนี้พนอันซื่อๆนี่พนว่ามัน ส, สะอาดเพรว่าเราเห็นมันเราเห็นอันซื่อๆนีแ่แหละสงบกัแเป้าโออันนี้ได้สงบเนี่ยเ ข, ข, ขาใจโดยไม่ว่าสงบแล้วเป็นนั่งอยู่ืนทําไปหลับตาอยู่นนบนแมนอันนั่นก็สงบแบบหนึ่งอนนันสงบแบบนั้นเอามาใช้กับทางกำนัลบัวได้นึกบัได้จริงๆเพราะมันหลับตาอยู่ด้วอันนั้น อันสงบแบบนี้ให้เหง่างใลเม็ดเป็นครูไปสอนหนังสือให้นักเรียนก็นได้เป็นแม่ข่าวแม่ดำธรรมมาหาถินก็ได้ซักเพื่อสัตว์พระกเ็เป็นเป็นเนเป็นพระกับคือกันเที่ยวสอนคนนั้นคนนี้ก็ได้เป็นไรถ้าจิงแปลว่าผู้สอนคณะฤๅีผู้สอนอันนี้แต่ว่าสอนนั้นก็นหลายอย่างอย่างนี้กต่พระกับแปรีวาผู้สอนคือกันสอนให้ให้ทานนะทาบางสะกดทํากระถิ่นทำภาป่า เี๋ยวไปสร้างพระพุทธรูที่นั่นที่านี้ง่ายในโลกนะครับแต่ผู้สอนกันแต่สอนแบบนั้นสอนออกนอกตัวเขาที่นํามาเล่าให้ฟังนี้นํามาให้สอนให้เบิ้งคิดเบื้องใจเลยขึ้นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยเดีไม่คิดสอนให้จะออกไปข้างนอกเลยพอเราไปข้างนอกแล้วคุณสอนหลายแล้วโงมาบอสอนคือสอนให้เบิ้งข้างในเนี่ยเบิ้งข้างในเบิง้งไสเบิง้งชีวิตจิตใจเนี่ย ชวิจิตใจเนี่ยมันสะอาดมันจะว่างมันสงบอยู่แล้วคำว่าสะอาดก็หมายถึงมันว่าเคยสะกะปรกคำว่าสว่างก็หมายถึงเห็นคือเอาใต่ตะ เ, เกียงเจ้าพายุเนี่ยมันเห็นของซึ่งใดซึ่งหนึ่งมาดูในบริเวณนั้นมันเห็นสงบก็แปลว่าหยุดดึกแล้วบวไปศึกษาตำรับตำราที่ไหนอีกทึ้งแล้วเพราะว่าที่สุดของพวกมันอยู่ที่ตรงนีง้ที่สุดของทุก ม, มันเป็นการเรื่องความหุดพ้นหรือว่าความหลุดพ้นมันมีอยู่แล้วแต่ก้อนว่เคยูงว่เคยเห็นแปลว่าสะอาด พัสงสงบหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พลักันหรือว่าใจสนาคมมันก็วาแล้วแต่ที่ว่าเพิ่งจึงมีเอาไว้ว่าสมมุติว่าสมมุติม่าขึ้นมาซื้อมันเป็นอะไรนะสมมุติเอาข้อไหนมาไว้เอื่นสมมุติบัญญัติเอาสมมุติเป็นวัตถุภายนอกเส้นโลหะทามาทําให้เป็นเงินเป็นอันนั้นสมมติเป็นวัตถุภายนอกอนนัันเป็นสมมติภายนอกเพิ่ ง, งมาย้าําม่ปุคคลาี่ถานเนี่ยธรรมมาธิฐา น, าานเป็นยมทศอนี่ะคือมันเอามาเว้าโดยที่ว่าที่มือซื้อซื้อเหมือนโบจับ จำเป็นต้องเว้าเพาว่าทําให้ดูดูให้เห็นพูดให้ฟังทําให้ดูให้จังไรหน่งเอาก็มาเดินจมคมที่มาสร้างปังวายเจริญสติทาให้ดูดูให้เห็นหนึ่งโดเดือดร้อนบกขุกทีพูดให้ฟัง่งพูดเรื่องจิตเรื่องใจพูดเรื่องจิตเรื่องใจเพราะทุกคนมันมีจิตมีใจมันก็รู้ได้ผู้ที่มีปัญญาเล่นแต่คนที่บุมีปัญญาทำคนที่บุมีปัญญาท่านกันนั่งฟังง่วงหลับง่วงนอน มันแทบโบลูฟังจนตายกับโบลูแล้วมันก็มีในด้วยเนขารีบด้วยเน่ยเอาเขาลีบไปงอกที่ออกมอเวนที่ออกอย่างนีของเราเขาโบมีในเนี่ยถ้าเขาไม่ตึงไม่ตั้งใจฟังนั่นออกแต่วันที่ออกมอลืมนานแทบกับโบแน่นอนถ้าคนได้ฟังแล้วง่วงหลับง่วงนอนเขาคุ้นกับที่อวยก็มีทานฟังจนตายแล้วที่ว่าเขาฟังจนตายแล้วผขาว่าให้กระต่อฟังมันอที่ฟังไปเนี่ยกระต่อใหม่บอกกับเมื่อจะซื้อคู่ว่าก็ได้โบมีโอกาสโบมีแล้ว ้หากว่าคนตั้งใจฟังแล้วเวาจำนวนธามายุ่นี่พระก็ต้องสามสิบกว่าลูกสามสิบกว่าลูกรนขาวก็หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดดคนเมี่ยข่าวสองเกคนยู่เนี่ยอย่างน้อยต้องสี่สิบห้าสิบคนย0สิบถึงหกสิบคนต้องรู้คนมีปัญญาต้องรู้พ่อครูนี่ก็ีได้คิดยังไงบอกเนี่ยตอามคิดพ่อคำพูดจร่งที่แปลกแปลกเขาหูบวกคิดมันก็นตายเท่านั้นแหนละบอสยอดยึดราคาไม่มาหอกัน ดีวา่าติบ้านเกิดหนึ่วยอยู่ใส่บ้านหลวงพ่อเกดเกิดตรงะไรกิดตอะไรเอ็ดเคยมีพระเมาอย่างซีบ่ะแม่แม่แก็บอกเคยมีบ้านนี้เขาต้องพยายามพูดเคยสอนกันอยงซีบโยงพระเมาพูดสอนโดยแม่นที่พระอันนี้พระอันนี้กับแม่นอยู่หักเป็นพระสมมุติพูดอยังว่าพระพุทธไม่ใช่ทองคำํพำพระธรรมไม่ใช่เป็นกัมปีไม่ใช่เป็นเวลาไม่ใช่เป็นตัวหนังสือท่านถ้าทรงเป็นผ้าเหลืองไม่แม้เอา ถ้าเลียงเป็นหุม้มเอาคนโผมนั้นบนเนีนั่นถ้าพุทธกระเปลผูร้รู้ถ้าทำกระเปาะคำสอนนั่นถ้าส่งกระปาผู้ป ฏ, ฏิบัติตามบนวางนันเขาเสื้อกรอยูนสังฆคุณ น, นั่นแปะเขาโบาเอามาใสา่บบเอามาพิจารณาเขาก็เลยไปให้ทำเอาบุญซะอันบุญนั้นมันได้อยู่เ็กยงกได้อยู่อันที่ว่านี่เหมือนโบเป็นบุญเี่อ่ะโบเม็นบุญทำให้รู้ซื้อๆรู้แล้วเป็นอย่างนีูนร้รู้แล้วมัอนโบส่งใส่มันบงสงสุตกเนี่ย อันมันบทกเนี่ยดี๋ยวนเอื่น่าสลาดทสลาดเ็ดสลาดที่คนเอนกุศลบุญกุศลอันบุญนั้นคนเอ่น่าใจดีดีใจกับใจดีก็ถึงคนละอันสลาดกับโง่ที่่าเป็นคนละอันบุญนั้นคนเอื่น่าใจดีเพมนดีใจอันดีใจเดี๋ยวคนเอิ่นกิเลสอันได้เห็ุแล้วดีใจได้ป้อยได้ด่าเขาเลยดีใจเนี่ยดีใจได้เหตุตามอารมณ์แล้วดีใจคนเอิ่นกิเลสอันใจดีนี่คนมามันเกี่ยวกับกิธรรมเนี่ยมันใจดีมันพิจารณาดูจิตดูใจตัวเองคนเอื่นใจดี ไม่ยอเปลี่นบุญกุศลมาเนี่ยคนใจเย็มเราต้องสลดัดที่มันสลาดพูดสาัดทำสลา ด, า ส, ลาดสอนสลาดเฮ็ดคําว่าเฮ็ดเนี่ยคนบางคนบุญเขาจากคําว่าเฮ็ดนี่กันเลยเวลาเฮ็ดกับทำอันเดียวกันสลาดเป็ว่าเป็่วนจัวัดสลัดฮ่อฮ่าผู้ใดสลาดาา ด, ด, าดบับทุกแก้ปัญหาโดยเองโดยให้เกิดสับสนวุ่นวายกายว า, าใจแล้วเป็นคนบูรุณตัวอันนั้น่ะอันบูรุณตัวนั้นคนเอ็น่าเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์ บรมสุกาเล่าเรียนหลักสูนะทธนักธรรมเตนักธรรมทนักธรรมเอกจบมหาบราเลียนเป็นเครื่องวัดบแมมันเป็นเครื่องหมายภายนอกอันเป็นเครื่องหมายภ า, ายในนั้นมันเป็นยังไงคุณอังกายก็เป็นวัตถุภายนอกมาจาเป็นวัตถุภายนอกใจเป็นวัตถุภายในเพื่อนว่ามันสับสนมันสับสนมาได่ไหนคุณมันคือคล้ายๆล้ายคือมันยุง่งความคิดขอามันยุ่งคลายคล้ายือใหม่ยุ่งใเพื่นว่าเ้นใดเงินใดโบ้กจักจับเส้นจับเงินบ้ทุกคนเอิ้นเหมือนยุงยยย่งความยุ่งอันนั้นคนเอิน้นหก เป็นผุกดันั้นเรามาปฏิบัติในหัวใจรู้จักรู้จักเพราะอาศัยว่ายานจะค่อยเกิดขึ้นมาตามลำดำับโบต้องไปทําไผกระไดเรื่องนี้หรืจะถ่านก็ได้ยานนั้นมันจะค่อยก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปถ้ายๆคือเราจับต้นมาจับต้นนี้มันจะทึกงั้นนั้นจับต้นนี้มันจะทึบงั้นนั้นมันจะรู้จักจังทันรู้จักจริงๆเรื่องนี้ดังนั้นจือว่าความหลุดพ้นก็นมีอยู่สี่ย่างคนรู้ของคนก็นมีอยู่สี่ย่างมันะความเห็นแจ้งความรู้จริงมันมีอยู่แล้วแ่วา ให้าไ่ได้สในสใจเรื่องนี้เมื่อหามาสนใจเรื่องนี้แทนรับรองว่ารู้รู้จริงๆคนที่เอาชีวิตผมเปนเบามันเพราะว่า ค, ว, ว, ค, าความดุดพนมันม่อยู่แล้วความสะอาดความว่างความสงบมันไม่อยู่แล้วคนที่รู้มาสอนกินรู้คนที่บมลูไปสอนมากินรู้ยังไงมาคำนิกก น, นที่ว่าซื้อให้ขอกุดน้ำบอ่อไปขุดอยู่จอมโผล่มันกินึกน้ำแบบเทเด้เอดบอกให้ก็จะไปขุดไกล่กับแม่น้ําที่มันเป็นลนำํารคลองย่ายๆมันจะออกน้ำบ่หลายกันน้อยกว่เดียว อันนี้ก็คือการที่เข้าไปหาจุดให้กับเจ้าเบื้องจิตเบื้องใจข้าเจ้าหัน้นมันก็เป็นมือนึงกับวันหนึ่งต้องรู้มีผลว่าอย่างไนคนที่รู้ไปสอนถึงรู้คนที่บูรู้ไปสอนมันบรูรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญทําให้พุท ธ, ธาศาสนาจเจริญทําให้ธรรม ะ, จะเจริญหรือทาให้คนบุจคนจเจริญขึ้นมาได้เพราะหลายคนนี้ถ้าหากงอแคนรู้คนเอื้นว่ามันบู ร, ร์เจริญแต่ว่าถึงจะรู้บูรู้มันก็มีอยู่อยงสั้นเพียงอย่าว่าธรรมะที่ทําให้ พระพุทธเจ้ามันมีมากรพระพุทธเจ้ า, าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่สุดคนพบคนคนแรกนํามาสอนได้ยินว่าคนที่แรกที่สุดมาอุปการชีวกนักบวชคนนึ่งเจ้หาธรรมะเจ้หาคนหลุดพน้นเจ้หาคนสะอาดสว่างสงบเจ้หาหนิพานว่างนั้นมาไปพบกับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วว่าคนจริงให้ฟังเลยสลัดหงายรถคนก็คือการคันทุกคนจริงให้ฟังได้บอ่อยากเสือบอ่อยักฟังคนยังเตียบให้ฟังหลายอย่างว่าเหมือนดัง มหากระสับคนหนึ่งมีกองดังไอ้ดังที่สุดนานนานกองนั้นมนันแตกมันข <deutsche> <ź> ุ่ไปจ้างในสร้างมาทราบมาอุดมายาเอาเนื้อไม่ไม้เข้าไปเนื้อไม่เข้าค่อยหมดไปแตกมหดใดไปจ้างนายสร้างมาทราบมาอุดเนื้อไม่เข้าันหมุดเอาเนื้อไม้ไม้เข้าไปไอ้ลายเชื่อมามันก็แตกกระพังไปเมื่อมันหมดแล้วนั่นสร้างมาทราบมายาก็เอเนื้อไม่เข้าบ่ิเห็นแล้เต็ม่ปใหม่ใหม่อันเฮาสอนกันอยู่ทุกเมือทุกวันในก็ะบุนี้แล้วรวมจริงที่ พระพุทธเจ้าเป็นสอนเอาไว้ว่าให้เจริญสติให้รู้ธรมธรมะผลบุญให้รู้มรรคผลนิพานกั บ, บุ่ญนี้แล้ดี๋ยวจะสอนกันเรื่องทำบุญเรื่องให้ทานเรื่องทำกรรมฐ า, านเรื่อตายแล้วจะเอาสวรรค์ตายแล้จะเอาเนิาทานอันนั้นถูกน้อยไหมเดี๋ยวจะถูกมากไหมถูกมากจริงๆคือเอาเดียวนี้สวรรค์เอาเดียวนี้เนิทานเอาเดียวนี้เอาเดียวนี้ให้จังไดเอาได้หรือเอาแต่เอาได้ว่าอจิบุได้จังใดคนสะอาดคนสว่างคนสงบคนทีอยู่แล้วนี้เอาจิตใจอยู่ซื้อๆนี่กรรมกรรมมีอยู่แล้วนี้ อันนี้เพื่อนเอืหลักสนะนิฐานเหนือทุกเหนือสุขเหนือดีเหนือสั่อันจิตใจยื้อซื่อเนี่ยเบอร์เน้นบาปบอร์เน้บุญเบอ ร, บอรม่นทุกเบอร์เนสุขมันเป็นอย่งที่ยื้อห้าห้าเขาเบ่อเหตุเดียวนี้เดือนเขาที่ตายนี่ก็ต้องเห็นรับรองทุกคนทุกคนตายจริงๆเมื่อเหตุอยนี้เนี่ยตอไปเมื่อทีตายก็ต้องเห็นพราความคิดมันคิดไปคิดไปคิดไปที่ไปมันไม่ดีทางหยุดทางเศร้าเมื่อเขาที่ตายความคิดมันจะทั้นเข้าทันเข้ามันจะเป็นทางสั้นเอาละที่นํามาเราให้ฟังเมื่อนแล้วก ว่าใจคุณกายได้เป็นวัตถุภายนอกวาจาเป็นวัตถุภายนอกใจเป็นวัตถุภายในเพื่อนว่ามันสับสนมันสับสนมาแต่ไหนพุณมันคือคล้ายๆคือมันยุง่งความคิดเขามันยุง่งคล้ายๆคือว่าใหม่ยุง่งในเพื่อนว่าชนใดเงินใดบุญเขจักจับชนจับเงินบุถูกเพื่อนเอเิญมันยุง่งความยุ่งอันนั้นเพื่อนเอิญทุกเพิ่นทุ ก, กจากนั้นเขามาป ฏ, ฏิบัติใดีเขาเจะรูร้จักรู้จักเพราะอาศัยว่ายานมันจะค่อยเกิดขึ้นมา ตามลำดำหมดต้องไปถามใครก็ได้เรื่องนี้โดยที่ถามก็ได้ยานนั้นมันจะคอยก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปคาคคือเขาจับสุนอะจับสุนนี่มันจะถึกเง้อนั้นจับสุนนี้มันจะถึกเงินนั้นมันจะรู้จักทั้งทันรู้จักจริงๆเรื่องนี้อยงนั้นจึงว่าความหลุดพ้นก็มีอยู่เสย่างความรู้ของคนก็มีอยู่เสย่างเหมืนกัความเห็นแจ้งความรู้จริงมันมีอยู่แล้วแต่ว่า เขาหักบาาริษันสนใจเรื่องนี้เมื่อหามาสนใจเรื่องนี้เถอรับรองว่ารู้รู้จริงๆผมจะเอาชีวิตผมเป็นเดิมพันเพราะว่าความดุพ้นมันมีอยู่แล้วอืมความสะอาดควมสว่างความสางบ ม, มันมีอยู่แล้วคนที่รู้มาสอนจึงรู้คนที่บโร้ไปสอนมันจิรู้ยังไงมันก็นเหมือนที่ว่าซีให้ห่อขุดน้ําบ่อไปขุดยู่จอมโพนพว่ามันจีทึกน้าแลบเคลือด บอกให้เขาจะไปขุดไกล้ๆ ก, กับแม่น้ําที่มันเป็นลาธารของง่างๆยๆมันก็ออกนะ้ําบ่ไหลาก็ น, น้อยบว่าเดียวอันนี้ก็คือกันที่เขาไปหาจุดให้เขาเจ้าเบิงจิตเบิงใจเขาเจ้าฮั่นมันว่ามันมือนึงกับวันนึงต้องรู้นี่เป็นว่าอย่างนั้นคนที่รู้ไปสอนยึงรู้คนที่โบลูไปสอนมันโบลูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญทําให้พุทธศาสนาเจริญทําให้ธรรม ะ, จะเจริญ หรือทําให้ความหลุดพ้นจเจริญขึ้นมาได้เพราะหลายคนรู้ถ้าหากน้อยคนรู้เพิ่มเอิว่ามันบเ่เจริญแต่ว่าถึงจะรู้บ่รู้มันก็นมีอยู่อย่างสั้นเพิ่งเิว่าธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้ามันมีมาก่รพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่สุดคนพบคนพบแล้วก็ น, นำมาสอนได้ยินว่าคนที่แรกที่สุดว่าอุปการสิวกนักบวชคนหนึ่งซอกหาธรรมะซอกหาความหลุดพ้น ซอกหาควมสะอาดสว่างสงบซอกหนิพานวันนั้นบาดไปพบกับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วว่าความจริงให้ฟังรสสลัดหัวไตรลดคนก็คือการคันพูดความจริงให้ฟังในบย่ยากเสือบย่ยากฟังเพิ่งยังเปียบให้ฟังหลายย่างวันเหมือนดังมหากษัตริย์คนหนึ่งมีกองดังเตยดังที่สุดนานนานกองนะั้นมันแตกมันผูไปจ้างนายสร้างมาทราบมาอุดมายาเอาเนื้อไม่ไม้เข้าไป เนื้อไม่เข้าก็ค่อยหมุดไปแตกบางคดใดไปจ้างนายสร้างมาทราบมาอุดเนื้อไม่เข้าบันหมดเอาเนื้อใหม่ใเข้าไปตะไหลเชื่อมมามันก็แตกกับพังไปเมื่อมันหมดแล้วจ้างนายสร้างมาทราบมาหย่าซ่อมหาเนื้อไม่เข้าโบเห็ุแล้วม่แต่เนื้อใหม่ๆอันเขาสอนกันอยู่ทุกเมื่อทุกวันนี่ก็บโมีแล้วความจริงที่พระพุทธเจ้าคุสอนเอาไว้ว่าให้เจริญสติให้รู้ธรรมะควผลุพ้น ให้รู้มรรผลในพานก็บุ่มีแล้วมีแต่สอนกันเรื่องทำบุญเรื่องให้ทานเรื่องทำกรรมฐ า, านหรือตายแล้วจึงเอาสวรรค์ตายแล้วจึงเอานิพานอันนั้นถูกน้อยเน้บุญจะถูกมากเน้นถูกมากจริงๆคือเอาเดียวนี้สวรรค์เอาเดียวนี้ในพานเอาเดียวนี้เอาเดียวนี้ให้ยังไงเอาได้เหรออ้าวเรเอาได้วหรจิบุได้ยังไงคมสะอาดคมสว่างคมสงบมันมีอยู่แล้วนี้อันว่าจิตใจยืดซื่อนี่กรรมกรบบมีอยู่แล้วนี้นี่ อันนี้เพื่นเอิญหลักษณะนในผ่านเหนือทุกเหนือสุขเหนือดีเหนือ่วยอันจิตใจยืด ซ, ซื่อเนี่ย